การปฏิบัติในโอกาสอย่างแรกคือในขณะที่ปกติไม่มีอารมณ์มากระทบนั้นเราจะทำอย่างไรในขณะปกติอย่างนี้ก็หมายถึงเมื่อเราทำการทำงานอะไรอยู่ตามปกติลำพังของเราเวลาปกติอย่างนี้เราจะทำการทำงานประจำวันอยู่ก็ได้หรือว่าเราจะใช้เวลาปกตินั้นไปทํากรรมฐานวิปัสสนาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ นี่เรียกว่ายังไม่มีอารมณ์มากระทบยังไม่มีปัญหาเรื่องที่อารมณ์มากระทบเราทําการงานตามประสาชาวบ้านชาวบ้านนี้อยู่ก็ได้แต่ต้องในขณะที่ไม่มีอารมณ์มากระทบหรือเรามีเวลาว่างเราจะอ่านหนังสือก็ได้เราจะคิดนึกอะไรก็ได้จะทําวิปัสสนาก็ได้เราจะต้องปฏิบัติในลักษณะที่เป็นการศึกษา เป็นการทำให้เห็นแจ้งยิ่งขึ้นว่าสิ่งทั้งปวงว่างอยู่อย่างไรแล้วจิตนี้มันจะว่างได้อย่างไรจิตจะไม่หลงผิดในสิ่งทั้งปวงได้อย่างไรให้นึกคิดศึกษาด้วยตนเองหรือไต่ถามปรึกษาหารือผู้อื่นอยู่เป็นประจำและทาไปเรื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางปริยัต สำหรับผู้ที่เป็นชาวบ้านกระทั่งไม่รู้หนังสือไม่ได้เคยบวชเคยเรียนเรื่องป ร, ริยัตก็ยังมีวิธีลัดอีกแบบหนึ่งซึ่งก็มีความหมายแบบเดียวกันมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือให้รู้สิ่งสิ่งเดียวกันคือรู้ความว่างของสิ่งทั้งปวงเหมือนกันแต่เราไม่อาจพูดถึงความว่างอย่างนั้นได้เพราะเขาจะยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เพราะฉะนั้น เราจึงพูดไปอีกคำนองหนึ่งว่าให้ดูว่าสิ่งต่างๆมีอะไรบ้างที่น่าเอาหรือน่าเป็นให้คนธรรมดาทั่วไปตามปกตินั้นเป็นอยู่ด้วยการพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่น่าเอาน่าได้หรือว่าน่าเป็นที่ว่าเอาหรือได้นี้เช่นได้เงินได้ของได้ทองได้เกียรติยศได้อำนาจวาสนา นี้เรียกว่าเอาหรือได้มีอะไรบ้างที่น่าเอาหรือน่าได้และมีอะไรบ้างที่น่าเป็นเป็นอย่างไรบ้างที่ว่าหน้าเป็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเศรษฐีเป็นขอทานเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นราษฎรเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไนบ้างที่น่าเป็น เราต้องเข้าใจคำว่าเอาและคำว่าเป็นให้ถูกต้องกันเสก่อนคำว่าเอาว่าเป็นนี้หมายความถึงความยึดถือโดยตรงถ้าไปรู้สึกว่าเอาหรือได้มีมันต้องมีความยึดถือที่จะเอามาเป็นของเราจึงจะเข้าขั้นที่เรียกว่าเอาหรือได้เต็มตามความหมายเช่น เราเอาเพชรเอาพลอยมากองไว้เต็มห้องอย่างนี้ถ้าไม่มีความยึดถือว่าเราได้เราเป็นเจ้าของเราเอามาได้อย่างนี้มันก็เท่ากับว่าไม่มีการเอาไม่มีการได้เพชรพลอยที่กองอยู่ที่นั่นเองไม่มีความหมายอะไรถ้าเกิดความรู้สึกชนิดที่เป็นอุปาทานว่าตัวเราเอามาได้ตัวเราได้มาแล้ว อย่างนี้มันจึงจะเรียกว่าเอาหรือได้ขอให้เข้าใจความหมายของคำว่าเอาว่าได้อย่างนี้แล้วถามอีกทีว่าอะไรบ้างมันน่าเอาน่าได้เอาอะไรบ้างจะไม่ทำบุคคลนั้นให้เป็นทุกข์มันมีแต่จะแผดเผาบุคคลนั้นทิมแทงบุคคลนั้นร้อยรัดบุคคล น, นั้น หัวพันบุคคลนั้นหุ้มห่อบุคคลนั้นรอบงามบุคคลนั้นหากเข้าไปเอาไปเป็นเหมือนเข้าแต่ถ้าเพชรปลอยที่กองอยู่เต็มห้องนั้นเขาไม่มีความรู้สึกว่าเอาว่าเป็นมันก็ไม่มีอาการแผดเผาหัวพันหุ้มหอ่อร้อยรับแต่ประการใดเลยนี่เรียกว่าไม่เอาไม่เป็นมีอันไหนบ้าง ที่ไปเอาไปเป็นเข้าแล้วจะไม่เป็นทุกข์ถ้าไปมีความรู้สึกว่าเอาว่าเป็นเข้าแล้วไม่ต้องมาอยู่ในห้องต่อให้อยู่ในป่าหรือคนละประเทศข้ามทวีปข้ามมหาสมุทรอย่างนี้มันก็ยังเป็นทุกข์ได้ลองมีลูกมีหลานอยู่ที่อเมริกาแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราดูสิมันก็จะทาให้นอนไม่หลับและมาเข้า ก็เป็นโรคเส้นประสาทได้นั่นหละคือความหมายของคำว่าเอาว่าเป็นตามปกติให้พิจารณาดูว่ามีอะไรบ้างที่น่าเป็นน่าเอาที่ไปเอาไปเป็นเข้าแล้วจะไม่เป็นทุกข์อย่างนี้เมื่อพบความจริงว่าไม่มีอะไรที่น่าไปรู้สึกเอาหรือเป็นมันก็วางเฉยกับสิ่งทุกสิ่ง แต่จะจัดจะทำจะมีจะเก็บจะรักษาจะบริโภคใช้สอยก็ทำไปตามเรื่องจิตใจนี้อย่าไปเอาอย่าไปเป็นอย่าไปรู้สึกว่าเป็นตัวเราเอาเป็นมีขึ้นมาให้นึกถึงหลักธรรมะที่ว่าทำโดยไม่ต้องมีผู้ทำการกระทำได้ทำเสร็จไปแล้วแต่ผู้ทำหามีไม่ การเดินทางได้เดินถึงที่สุดแล้วแต่ตัวผู้เดินหามีไม่นิหมายถึงพระอระหันต์ท่านปฏิบัติธรรมะถึงที่สุดแล้วคือว่าทําการปฏิบัติธรรมะถึงที่สุดแล้วหรือว่าเดินไปตามทางของอริยามารรคนี้ถึงที่สุดแล้วบรรลุนิพพานแล้วแต่ตัวผู้เดินหามีไม่ตัวผู้ทําหามีไม่ หลักอันนี้จะต้องนำมาใช้กับชีวิตประจำวันของเราจะกินอยู่นั่งนอนยืนเดินบริโภคใช้สอยสแสวงหาทำอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องมีสติปัญญาเพียงพอที่จะไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีอยู่เราเป็นผู้ทาผู้กินผู้เดินผู้นั่งผู้นอนผู้บริโภคใช้สอยนี้เรียกว่า ทำให้มันว่างจากตัวเราอยู่เสมอให้เป็นปกติด้วยความรู้ที่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นการปฏิบัติธรรมสามารถจัดทาพร้อมกันไปได้กับการทำการงานหรือการเคลื่อนไหวในการงานประจำวันนั่นเองเป็นการปฏิบัติธรรมะอย่างสูงยิ่งไปเลยไม่ต้องแยกจากกัน ขอแต่ให้มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้อยู่งานก็ได้ผลดีด้วยไม่ผิดพลาดด้วยและธรรมะก็เจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งพร้อมไปในตัวการงานนั้นด้วยนี่เรียกว่าเป็นอยู่ตามปกติในเรื่องไม่มีการเอาไม่มีการได้สำหรับการเป็นนั้นยิ่งง่ายขึ้นมาอีกคือขอให้คิดดูว่า เป็นอะไรบ้างที่จะไม่ต้องทุกข์ไปตามความเป็นนั้นๆนี่เป็นสูตรเป็นใจความสําคัญคือว่าเป็นตัวสูตรตัวฟอร์มูล่าหรือว่าเป็นอะไรบ้างจะไม่ต้องเป็นทุกข์ไปตามความเป็นนั้นๆคําว่าเป็นนี่ก็เหมือนกันหมายเอาแต่ที่เป็นตัวอุปาทานเป็นในความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็น เช่นเดียวกับคำว่าได้หรือเอาเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีทองกองอยู่เต็มห้องนี้ถ้าไม่รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของมันก็ไม่มีการได้หรือมีการเอาการเป็นนี่แม้ในทางโลกจะสมมุติทางกฎหมายจะรับรองว่าใครเป็นนั่นใครเป็นนี่คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อยู่ก็จริง แต่ในใจของเราจริงๆนั้นอย่าไปรู้สึกอย่างนั้นเข้าอย่าไปหลงไปเข้าใจผิดตามสมมุติอย่างนั้นเข้าตัวอย่างหนึ่งเช่นว่าคนหนึ่งคลอดบุตรออกมาคนผู้คลอดก็ต้องเป็นแม่คนที่เข้าคลอดออกมาก็ต้องเป็นลูกนี้ก็เป็นตามธรรมชาติถ้าอยากไปยึดถือว่าเป็นแม่มันก็ไม่เป็นแม่หรอก เราะไปหลงเอาเองไปว่าเอาเองไปเข้าใจผิดเอาเองว่าเป็นแม่มันก็เป็นแม่อย่างนี้ควรถือว่าเป็นสัญชตาตญาณของสัตว์เป็นอันิมอลอินสติ้งคือว่าสัตว์มันก็รู้สึกเป็นแม่ไก่แม่สุนัขแม่วัวแม่อะไรมันก็รู้สึกว่ามันเป็นแม่แล้วรักลูกเป็นนี้ไม่ต้องฝืนไม่ต้องทําไม่ต้องสร้างมันเป็นอยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ ถ้าขั้นที่เป็นสติปัญญามันต้องดีกว่านั้นมันต้องรู้จักทําลายความยึดถือที่มาจากความไม่รู้อย่างนั้นเสียได้คนบางคนจะคิดว่าแม่เยี่ยมโหดคารุนจริงไม่ให้รู้สึกว่าเป็นแม่ไม่ให้รักลูกอย่างนั้นหรือฟังให้ดีไม่ได้หมายความอย่างนั้นคือว่าการเป็นแม่นี้เป็นด้วยสติปัญญาก็ได้ เราจะปฏิบัติหน้าที่ของแม่อย่างไรก็ทำไปด้วยสติปัญญาก็ได้ไม่ต้องทำด้วยตัณหาอุปาทานซึ่งมันจะทำให้มีความทุกข์ทุกประการต้องน้ำตาไหลบ่อยๆต้องเหี่ยวแห้งในใจบ่อยๆและไม่มีความสุขเลยนั่นแหละข้าที่ไปเป็นแม่ไม่เป็นเป็นแม่ไม่ถูกวิธีของธรรมะต้องเป็นทุกข์เพราะลูกนี่เรียกว่าความทุกข์ของแม่ เมื่อเป็นแม่ก็ต้องทุกข์อย่างแม่เมื่อเป็นลูกก็ต้องทุกข์อย่างลูกเมื่อเป็นพ่อก็ต้องทุกข์อย่างพ่อนี่ลองถามตัวเองดูทีว่าเกิดมาเป็นแม่เขาเนี่ยสนุกไหมเกิดมาเป็นพ่อเขาเนี่ยสนุกไหมคนที่สูงอายุที่ได้ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างที่เรียกว่ามีประสบการณ์ดีมาแล้วลองคิดดูซิว่าจะเป็นอย่างไรจะตอบว่าอย่างไร ถึงไม่ตอบก็คงสั่นหัวทั้งนั้นเป็นพ่อเขาสนุกไหมเป็นแม่เขาสนุกไหมอย่างนี้นี่คือสิ่งที่จะต้องศึกษาหรือรู้สึกอยู่เป็นปกติแม้ในเวลาที่ไม่มีอารมณ์มากระทบถ้าเป็นสามีสนุกไหมเป็นภรรยานิสนุกไหมไปคิดดูเองคนที่เป็นสามีเป็นภรรยามาโดยสมบูรณ์แล้วจะสั่นหัวทั้งนั้น ทีนี้ว่าเป็นหญิงน่าสนุกไหมเป็นชายน่าสนุกไหมถ้าสติปัญญาเดินมาโดยลำดับและโดยละเอียดยิ่งขึ้นก็จะสันหัวทั้งนั้นเป็นผู้หญิงก็ต้องมีความทุกข์อย่างผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ต้องมีความทุกข์อย่างผู้ชายเป็นเด็กสนุกไหมเป็นผู้ใหญ่สนุกไหมเด็กๆ เ, เขาคงจะตอบว่าสนุก แต่เราที่เป็นผู้ใหญ่ผู้เท่าเหล่านี้ลองย้อนกลับไปดูทีว่ามันสนุกไหมเด็กมันก็มีทุกไปตามประษาเด็กผู้ใหญ่ก็ทุกตามประษาผู้ใหญ่ถ้าหากมีความยึดมั่นถือมั่น